สวัสดีค่ะค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ 2 ค่ะเมื่อครั้งที่แล้ว 3 หมวดอันได้แก่พระวินัย ท่านผู้ฟังๆหน่อยนะคะชื่อว่าเลเลเล 9 เลยค่ะเอกสาร 9 พระ คำว่าพระพิธัมปีโฎกนะคะส่วนใหญ่เราจะได้ว่าพระ สิ่งมีอยู่ได้ 4 ประการนะคะอันได้ก็สามารถยกตัวอย่างว่าจิตเจตสิกรูป ใช้สื่อกันในความหมายทางโลกนะคะก็จะพูดว่าในสมชายหรือนายสมศักดิ์กําลังเดินทางมาทํานองนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งสมมุติเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในหมวดของพระ เพราะว่าไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้ หรือแม้นแต่คําพูดคําพูดเหล่านี้ก็เป็นบัญญัติรายลักษณ์อักษรที่เขียน ในทางพระพิธัมเนี่ยค่ะถ้าจะพูดถึงตาเราก็จะเรียกจักขุหรือจักขุเหมือนกันแต่สิ่งที่มาเกิด ได้ชื่อว่าจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณพอเรามาดูคําว่าจักขุวิญญาณในพระพิธัมก็จะกํากับเค้าเรียกว่ามีองค์ธรรมอยู่ 2 ประการนะ คือจักขุวิญญาณฝ่ายกุศลอย่างหนึ่งจักขุวิญญาณฝ่ายอกุศลในองค์ธรรมค่ะสามารถที่จะแทงเข้าไปสู่สภาวะธรรมสามารถเข้าไปสาว ซึ่งสามารถที่จะสื่อเข้าความเป็นสภาวะประมัติสามารถดูต่อไปในบทเรียนหน้าที่ 9 นะคะคะพระอภิธรรมปิฎกมีอยู่ 42,000 พระธรรมขันธ์ 7 คัมภีร์ผู้หลักผู้ 7 คัมภีร์ อภิธรรมนั้นแบ่งออกเป็น 7 คัมภีร์เรียกย่อๆ7 คัมภีร์นั่น นะคะหรือในวงการของผู้ที่ พระภิธรรมซึ่งมีอยู่ 7 คัมภีร์ด้วยกันเรามาดูนะคะ คำว่าคัมภีถ้าเรามาใช้ในภาษาปัจจุบันอาจจะเจอ 7 คัมภีสังวิทาปุกะยะปะหัวใจพระภิธรรมคำแรกคือสังประมวล กลุ่มนะคะเป็นการประมวลหมวดธรรมเป็นกลุ่มๆ7 กลุ่ม 7 กันเรียก 4 กันด้วยกันกันแรกคือจิตตวิภัตติกัน ย่ออธิบายมาในแนวของอธิบายมาในแนวของเราสามารถที่ 91 เล่ม อ่ะเล่มท้ายๆนะคะเล่มที่ 90 กว่าขึ้นไปขออภัยค่ะเล่มที่ 80 ขึ้นไปนะคะก็ถ้าจะไปศึกษา ถ้าเป็นตั้งแต่หลักสูตรโรงเรียนเค้าก็จะเรียกว่า 7 ปีขึ้นไปแต่ 1 ปีก็สามารถ ในเรื่องนี้อยู่ในคัมภีจิตตวิภัตติกันกันแรกคือจิตตวิภัตติกันกัน ครูบาอาจารย์ที่ซึ่งส่วนใหญ่หรือทั้งหมดแล้วก็ต้องลงมาที่เรื่องว่านำปฏิบัติท่านก็จะมีแนวการ ที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาไว้มีอะไรบ้างเรา การเราจะได้ศึกษากันในบทเรียนชุดที่ 5 ในกันที่ 3 ชื่อว่าว่านิเขปะลาสิกันกัณฑ์นี้กันที่ 4 ชื่อว่าว่าอัตถุ อัฐุธารกรรนะคะอ่านว่าอัฐุธารกรรเป็นการแสดงจําแนก 7 คัมภีร์คัมภีร์ที่ 2 ชื่อว่า คัมภีวิภังนั้นเป็นการจำแนกมาติกาในธรรมมิเอ่อใน 10 นะคะในติกะมาติกาในทุกกะ เรื่องของการจำแนก 5 นะคะไม่ใช่เรื่องของการไม่ใช่เรื่องของหมายถึงขัน นะคะ, เร 5 อันเป็นส่วนวิญญาณขัน คือเวทนาคือสัญญาคือสังขารและขันธ์เหล่าๆทั้งเป็นบุญทั้งเป็นบาปเหล่านั้นไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตน ปรุงแต่งอะไรแต่งอะไรปรุงแต่งจิตก็คือปรุงแต่งในเรื่องของวิญญาณขันธ์ ชีวิตแต่ชีวิตนี้ยังเป็นไปอยู่ที่ยังนะคะแต่ชีวิตนี้ยังเป็นไปอยู่ สัตว์นั้นก็จะมีสภาพของความเป็นไปที่อยู่ในภพภูมิที่ดีแต่ นะคะแต่กระดูกกระดูกสันหลังของความเป็นรูปกายขันธ์ใหม่ของบุคคลสัตว์ที่ไม่มีกระดูก อ่าอสุรกายต่างๆเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่า 3 ค่ะทาคือคัมภีร์ทาตุ๊กถาเป็นเรื่องการอธิบายใน 5 เป็นการนำมาจำแนกจำแนกทำไมจำแนกให้ผู้ที่ศึกษานั้นโดยสุตันตนัยเนี่ยค่ะขออภัยค่ะเป็นลักษณะ คือทําให้ปัญญาในเรื่องของสุตตมยปัญญาเกิด การแทงตลอดความแทงตลอดในเรื่อง 4 ระดับด้วยกันที่เปรียบ โผล่ช่วงของการที่จะมีภัยต่างๆจากโคลนตมมาแล้วเลยช่วง คัมภีร์ที่ 4 นะคะชื่อว่าบุคคละบัญญัติบุคคละเนี่ยก็หมายถึงบุคคลนั่นเองเป็นการเป็นการพูดถึง อย่างที่ได้อธิบายไปตอนต้นที่ได้อธิบายไปตอนต้นอย 5 ประการนะคะได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของอายตนะบัญญัติ คัมภีร์ที่ 5 ชื่อว่ากถาวัตถุนะคะ พระภิกษุที่มีการแจกแจงแสดงเหตุผลกันออกเป็นเพราะฉะนั้นเป็นนิกาย ไม่ว่าจะเป็น พศ. นี้หรือๆบางบางๆที่ เป็นเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในพุทธศาสนาเป็นการทําให้พระพุทธศาสนานั้นก็ เพราะว่าศาสนาพุทธจะไม่เสื่อมสลายเพราะบุคคลจากศาสนาอื่นแต่จะค่ะคัมภีร์เพเพเพ 6 คือคัมภีร์ นะคะยมกะเนี่ยค่ะแปลว่าคู่เป็นการแสดงปุจฉาวิฉัวิสัชนาเป็นคําถามนะ แล้วถ้าจะจัดอันดับความยากนะคะคัมภีร์ปัฏฐาน อ่าโดยไม่มีการย่นย่อเลยหาขนาดความสูงประมาณ 1 ฟุต 1 ไม้ฟุตบรรทัดเนี่ยค่ะ 1 ล้านล้าน เพราะว่าคัมภีร์นี้จะเป็นคัมภีร์ที่ละเอียดลึกซึ้งมากแต่ที่มี ให้ให้ผู้ที่ศึกษานานาประเภทเทียบเทียว่าในกุสลัตติกะๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ นะคะในคัมภีร์ปัฏฐานเนี่ยค่ะพระพุทธองค์ได้ทรงทั้ง 3 ปิฎกนี้นะคะคือพระวินัยพระสุต แล้วในพระอภิธรรมปิฎกคัมภีร์ทั้ง 7 คัมภีร์คัมภีร์สุดท้ายคือคัมภีร์ ก็มีอยู่เรื่องเดียวเรื่องของการที่จะหาคนเรียนก็ยากอยู่เรื่องเมื่อยากทั้งสองฝ่ายอ่ะย่อมปรากฏให้เห็นได้ แต่คัมภีร์นี้นะคะในประเทศพม่าเนี่ยยังมี 4 ชั้น ชั้น 1 ก็จะเป็นห้องใหญ่ๆค่ะบรรจุพระภิกษุสามเณรผู้ที่ศึกษาเนี่ย 4 คนเรียนเต็มคน 3 ก็เต็มชั้น 2 ชั้น 1 เต็มหมด นะคะคืออาจารย์เนี่ยมีวิธีการนําเสนอทํา ต้องสร้างแต่ในประเทศไทยก็ยังมองไม่เห็นมากเยอะๆนะคะ อะไรนะคะเค้าเรียกว่าคนดี ต้องรักษาศีลพร้อมกันกับที่จะต้องศึกษาธรรมนะคะชีวิตในปี พ.ศ. ๆอย่างไม่หลายๆอย่างสบายใน แล้วก็แสวงหาความรู้ที่เรียกว่าก็แสวงหาความรู้ที่เรียก MP3 ศึกษาจาก วิทยุเนี่ยเป็นสื่อที่เป็นอมตะนะคะอยู่ เป็นเครื่องมือสื่อสารติดต่อระหว่างระหว่าง 2 ครั้งคือ วันนี้นะคะเป็นการ 91 เล่มแต่ มีอยู่ด้วยกัน 45 เล่มนะคะถ้าจํา 45 เล่มเนี่ยค่ะว่าโครงสร้างหรือว่ารูปแบบเป็น 1 12 เนี่ย ในหน้าที่ 13 เป็นต้นไปคงจะมีโอกาสมาอธิบายในวันสุขหน้าไปนะศึกษาแล้วได้ประโยชน์อย่างไรคงจะมีโอกาสมา บัดนี้เวลาเหลือน้อยเต็มทนค่ะ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้